สู่ความคิดความปรุงความจดจำสำคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วท่านแหะอีกเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวออกไปให้มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวออกไปโดยลำดับจนกระทั่ง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 ถูกเตะปิ้ปงแบบนู้นปิ้งมับนี้ปิ้งไปปิ้งมาถูกฝ่าเท้าเป็นที่เหลียดทั้งเตดทั้งเหยียบย่าทําลายหิย้วเลยอาจะให้แหลกจริงๆจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิ ต, ตทําลายให้คิดหายไปก่็คิดหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทร ม, มานเพราะสิ่งเหล่านั้นบีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละคำว่าเรื่อง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 มันก็มีลักษณะเดียวกันก็เป็นกิเลสตระเภทหนึ่งหนึ่งในห้าข้อนั้นตานาสัตว์มีชีวิตคนมีชีวิตอะไรมีชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รักสงวนในชีวิตของตนเท่าเทียมกันกับเราการไม่ทาเขาให้มีความกระทบกระเทือนหรือบอกเจ็บช้าตลอดถึงความล่้มความตายไปก็เพราะเห็นคุณค่าของเขาของเรา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 ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทาแม้จะมีความยากความลาบากก็ฝืนเพราะเหตุผลและสักขีพยานบอกอยู่แล้วภายในตัวว่าความสงบสูกเกิดขึ้นเพราะการกระทาเพราะความอุตสาห์พยาแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อมไม่คิดถึงการเวลาเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่องเลิงบันเทึงอยู่กับความสงบอันเป็นจุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสขุดข้มปิดแต่ยืนอยู่ก็เพลิน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 สมมัติอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติหรือธรรมะสมบัติมีประจักษ์ใจในธรรมอีกแง่หนึ่งที่ท่านจะสอนให้สมบัติอันนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปและมีความรู้รอบตัวเพื่อกำจัดสิ่งที่แทรกซึมมีภาระจิตใจให้ขาดจากกันประเดิษับว่าจิตนี้มีความเกี่ยวเนื่อง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 พิจารณาเรื่องถาดเรื่องขันถาดขันถ้าพิจารณาตามความจริงแล้วเราจะเห็นประจักทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นความจริงรุนร้ว น, ลวนตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนไม่ละความจริงอันนี้เลยเป็นแต่เพียงว่าความรู้ของเรานี้มันจอมปลอมความปลอมกับของจริงมันก็เข้ากันไม่ได้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 จากนั้นท่านก็ไม่สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันกเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิ ม, มาในหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายผลนด้าจากจิต ท, ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิต ท, ที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิต ท, ที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้